ของชาวพุทธที่ทุกคนจำเป็นต้องมีมีกี่อย่างสองอย่างเองอ่ะเออไม่ใช่มั้งมีห้าอย่างหนึ่งต้องมีศรัทธาในพระศาสนาสองเมื่อศรัทธาแล้วจะต้องความเพียรพิสูจน์ในศรัทธาของเราว่าเป็นศรัทธางมงายหรือศรัทธาจริงใช่ไหมถ้าศรัทธาไม่มีความเพียรพิสูจน์เป็นศรัทธาที่เป็นพุทธไหมไม่เป็นเป็นศรัทธาเยอะแยะไปหมดศรัทธาสารพัดเราไม่ต้อง แจ้งมึงมันละนะว่าศรัทธาที่มันจะถูกท่องต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าใช่ไหม ท, ที่เราเชื่ออย่างนี้ใช่หรือเปล่ามันดับทุกข์ได้มั้ยมันแก้ปัญหาได้จริงไหมต้องมีความเพียรอันที่สมที่จะพิสูจน์ใช้หลักการอะไรพิสูจน์ใช่อะไรสติสมาธิและปัญญาแต่ถ้าไปพิสูจน์ด้วยวิธีการอื่นไม่ใช่ต้องพิสูจน์ด้วยสติสมาธิปัญญาเ น, นี้คือพื้นฐานสําหรับชาวพูดว่าต้องมีศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาหอย่าง นะ <N> <N> แล้วตัวกำลังก็จะเกิดขึ้นเพราะเมื่อตัวกำลังศรัทธาเพิ่มขึ้นทำความเพียรได้มากขึ้นทำความเพียรได้แยบคายขึ้นทาความเพียรได้สนุก ข, ขึ้นพร ะ, ะมีกำลังเอตัววิทยามีกำลังก็คือทำแล้วรู้จักว่าเออส่วนที่มันจะเสียตรงไหนส่วนที่มันจะดีตรงไหนทำรู้สึกตัวดีแล้วจะรักษาว่าได้อย่างไรแล้ว <N> จะทำให้เกิดใหม่ <N> ให้มากขึ้นเนี่ยจะทำอย่างไรมันจะรู้จัก นี่เขาเรียกว่าความเพียรที่ถูกต้องและสิ่งที่จะเพิ่มพูนขึ้นสิ่งที่จะรักษาก็ดีสิ่งที่ต้องทําก็ดีแค่สามอย่างคือสติสมาธิปัญญาเรียกว่าสถาภระวิทยภระสติภระสมาธิภรรและก็ปัญญาภระต้องเป็นกําลังของการเจริญสติแบบนี้นะแต่ถ้าหากก็สัตย์ทาไม่เข้มแข็งไปไงก็แสดงว่าโอ้ทาไปขนานั้นทํามานานแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนั่งยกมือวัอกวแวมแหไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลง เอ้เสียเวลาฉันเป็นนั่งหลับตาดีฝ่าเนี่ยนะอันนี้ศรัทธาเป็นไงขอนแคลนแล้วใช่ไหมเพราะอะไรเพราะไม่มันขาดข้อที่สองเพราะยังไม่ได้ดพิสูจน์อย่างถูกต้องแต่คนที่มีศรัทธาอย่างถูกต้องก็ลงมือพิสูจน์พิสูจน์ด้วยดูความเพียรเพียรสร้างจังหวะเพียรเดินจงกรมเวลานั่งสร้างจังหวะก็ไม่ใช่ว่านั่งเพื่อจะให้มันได้นะแต่นั่งให้มันรู้ว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นกับเรารู้ทุกส่วนที่เกิดขึ้นกับเราในขณะนี้ไม่ว่ายืน เดินนั่งนอนเห็นชัดไหมว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นตั้งแต่หัวจิเท้านี่นั่งมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยชัดอะไยังความรู้สึกบางคนก็ทุกเวทนาชัดบางคนยิ่งนั่งยิ่งนานยิ่งมีความสุขเพราะอะไรเพราะเพลินนะแต่บางคนยิ่งนั่งยิ่งนานก็ยิ่งเบิกบานเบิกบานนี่ม่จําเป็นต้องเป็นสูงนะคือหมายความว่ามันมีปกติศีนเกิดแล้วใช่ไหมสีนเกิดแล้วภาวะปกติเกิดขึ้นแล้วมีความตั้งมั่นศีนก่ให้เกิดสมาธิเพราะปกติเนี่ยไม่ ใจิตใจไม่วอกแวกไม่วันไหวไม่ไปที่อื่นก็ความมั่นใจก็เกิดขึ้นอ๋ความตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนะเข้าใจในสิ่งที่พูดทั้งหมดก็ตัวปัญญาก็เกิดคือความเข้าใจในสิ่งนั้นนะและตัวปัญญานี้ก็จะไปเสริมกำลังของศรัทธาและวิริยะอย่าลืมนะว่ามันจะแต่ละอันเนี้ยมันจะมันจะเป็นอันเดียวกันเขาเรียกว่าวนะันอฟฟ i ินวัะหนึ่ง ในก็ในศรัทธาเนี่ยมีวิทยาสติสุิปัญญาอยู่ด้วยในวิทยาก็มีศรัทธาสติสมาธิใช่ไหมปัญญาอยู่ด้วยในสติก็จะมีศรัทธาวิทยาสมาธิปัญญาอยู่ด้วยไฟล์อินวันนะหนึ่งก็ในมันจะบรรจุกันไว้อย่างนั้นนั้นเราจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากมากเนื่องจากว่าเราไปคุ้นเคยกับสมาธิแบบสงบและความสุข ในวิธีการเคลื่อนไหวนี้เราจะไม่เอาสมาธิที่นำไปสู่ความสุขสงบแต่จะทำให้สมาธินำไปสู่ความตั้งมั่นของความรู้สึกความของใสของความรู้สึกแล้วก็ความคล่องแคล่วว่องไวของความรู้สึกนะไม่ใช่ยิ่งปฏิบัติไปนานยิ่งช้ายิ่งเชื่องยิ่งซึมยิ่งมีนะพวกนั้งไปนั่งสมาธิ ก็ดูเขามีความสุขแต่โอ้มันช้ากว่าเดิมเลยเชื่องซึมเงาขี้เหยียดมากขึ้นอ่ะไปทำยังไงอันนี้มันผิดแล้วใช่ไหมเป็นมิจฉาสมาธิแต่ถ้าเป็นสมาธิมันจะมีความตั้งมั่นในอารมณ์ไม่วอกแวกไม่วันไหวง่ายมีความผอนสายเบิก บ, บานปกติอยู่เป็นชีวิตแล้วก็มีความคล่องตัวพร้อมที่จะทำงานได้ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกกรรมนิโยเอาเราทีนี้มาดูต่อไปว่าเวทนาที่ เป็นกายเข้าสู่จิตเพราะอาศัยความพอใจไม่พอใจความเฉยเฉยและความพอใจไม่พอใจเฉยเฉยนี้จะก่อให้เกิดอารมณ์ได้อย่างไรต่อไปนะขั้นที่สานะทันไหมเมื่อกี้ความรู้สึกทางกายก่อให้เกิดความรู้สึกทางเวทนาไปสู่จิตอาศัยเวทนาไปสู่จิตตอ น, นี้ความรู้สึกที่เป็นจิตที่จะเ ป, เป็นอารมณ์เนี่ยมันเป็นอย่างไรอ่า เรารูล้ละเวทนาทางกายเรารู้หมดแล้วทีนี้ทีนี้ในรายละเอยียดต่อไปคืออะไรคนมกักจะถามแบบนั้นนะผมมาถึงจุดนี้แล้วต่อไปคืออะไรมีโยมคนหนึ่งที่ที่ที่เชียงรายอ่าเขาอ่านหนังสือของรลวงพเดชเขาจะมาฟังเทพฟังก็ไปทําเองเก็บอารมณ์ตัวเองตามหนังสือนะั้นเป็นเดือนเดือนพอติดอารมณ์ขึ้นมามันเบามันสบายแล้วมันนอนไม่หลับทีนี้พอนอนไม่หลับมันเบาหมดหลวงพ่อจะทําไงโทรมา ก็บอกช่วงนี้คุณหยุดก่อนแล้วกันนะถ้าคุณขืนทาําไปแล้วเวลาเพี้ยนขึ้นมามาไม่รับผิดชอบนะว่าเพราะคุณไม่เจอครูบาอาจารย์ก็ก็หยุดกันเลิกกันถ้ามีเวลาค่อยมาหาครูบาอาจารย์โอ้เขาทําเขามีมีศรัทธามากที่ตั้งใจมากๆเลยตั้งใจตามที่เขาเราว่าไปนั้นเป๊ะๆ เ, เ, เลยนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งเราพูดเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะว่าส่วนที่เป็นปรมัตสเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสื่อออกมาปเป็นภาษา ส่วนที่ให้เป็นภาษาสมมุติได้ทั้งหมดเพราะนั้นมันก็จะต้องอได้มีโอกาสสักถามต้องได้มีโอกาสได้สนทนากันนะอันนี้คือคือโยมที่เขาทำอย่างนั้นก็มีเยอะแล ะ, และต่อมาทีนี้ถ้าหากว่าความพอใจพัฒนาความสบายกายพัฒนาเป็นความพอใจความไม่สบายกายพัฒนาเป็นความไม่พอใจความไม่สนใจความไม่สบายใจพัฒนามาเป็นความเป็นโมหะหรือเป็นอวิชชา ทีนี้เมื่อมันพัฒนามาจุดนี้แล้วเนี่ยพัฒนาการต่อไปก็คือว่าตัวความพอใจทางกายไม่ถูกตามรู้ดยสติและมันพัฒนามาเป็นความพอใจทางจิตเมื่อความพอใจเกิดขึ้นความชอบเกิดขึ้นความอยากก็เกิดขึ้นเราก็ไม่ถูกตามรู้อีกมันก็พัฒนาไปเป็นตัวตัณหานะ ตัวกามะฉันทาพัฒนาเป็นตัวราคะราคะพัฒนามาเป็นตัวตันหาในสายของความพอใจนะและตันหานี่ไปแบ่งตัวกันกี่ตัว3ตัวใช่ไหมตันหาอยากจะได้มาแล้ววิ่งขวัขวายต้องการเงินสักล้านหนึ่งอย่างเงี้ยขนาดที่ต้องการเงินที่จะขวนขวายก็เป็นการวัตันหาได้มาแล้วเป็นครองเอาไว้อยากให้มันอยู่ได้นานๆเรียกว่าเป็นวิภวะตันหา แต่เนื่องจากเงินเงินทองหรือวัตถุทั้งหลายเนี่ยเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามหลักของไตรลกักษณ์เื่อนนิจังทุ่งแต่มันมีมาแล้ววันหนึ่งมันก็เสียไปหายไปหมดไปเมื่อมันไปหายไปพอใจหรือไม่พอใจไม่พอใจก็เป็นวิภวะตันหาตันหาทั้งสามเข้าไปกินทุกนั้นเลยนี่เป็นตันหาและตัวหาตัวนี้ไม่ถูกแก้ไขก็เป็นตัว กามกามสะวะไปตามกามกามมุปทานกามสะวะไปตามลําดับจากกิเลสขั้นยากลางละเอียดเป็นไปลักษณะนี้จากความสบายกายอย่างเดียวพัฒนามาเป็นความสบายใจพัฒนามาเป็นตัวอารมณ์พัฒนามาเป็นตัวอาสะวะตามลําดับเพราะฉะนั้นเองตัวความรู้สึกตัวที่เราทําจึงมีบทบาทที่มากมายความจริงเราบอกสติ บางคนก็บอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีตั้งแปดหมืนรรม่นสี่พันเพาทําคารทำไมพูดในเรื่องสติเรื่องเดียวใช่ไหมมื่ออื่นก็มีมีแยกเป็นหปดนสี่พันอย่างพูดถึงสติเรื่องเดียวพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายธรรมวินัยที่เราจะถาคตทั้งหมดตรัสไว้เนี่ยแปดหมื 8, 000, สี่พันรรมเปรียบเสมือนรอยเท้าสัตว์ในป่าทั้งจตุบทและทะวิบาก รอยเท้าสัตว์ในป่าเนี่ยเป็นรอยเท้าสัตว์ประเภทไหนที่ใหญ่ที่สุดสมัยนั้นท่านคงยังไม่เจอแรดนะเอามาไปดูนี่รอยแรดใหญ่กว่ารอยช้างอีกนะแต่ท่านสมัยนั้นท่านก็เจอเจอเจช้างมานะก็เลยรอยทางใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหลายบอกว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าสี่ขาสองขาขาเดียวมารวมรวม ร, รอยเท้าสัตว์ประเภทคือรอยเท้าช้างชั้นใด ทำวินัยของเราท ถ, ถาคตแปด0มื่นสี่พันมรดกมารวมในทาหมดเดียวคือคืออะไรอันนี้ค่อยสอบเอาหาคำตอบบางคนสรุปเรียบร้อยแล้วคือสตินะแต่ว่า มีข้อท่านใช้คําว่าอัปมาท ธ, ธรรมอัปมาทรรคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือความไม่ขาดสตินั่นเองเพราะนั้นอัปมาท ธ, ธรรมก็คือสตินั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปคือทำของเราทั้งหมดแปดหมื่นี่พันพระธรรมขันธ์รวมรวมในธรรมหมวดเดียวคือสติปัฏฐานสี่นะสติปัฏฐานสี่ซึ่งได้กล่าวมาบ่อยๆทีนี้ตัว ความรู้สึกตัวที่เราเราทำเนี่ยที่เราทําในรูปแบบคือ14จังหวะก็ดีเดินจกงมที่เป็นในรูปแบบเรามานี้เขามาฝึกเอารูปแบบเฉพาะแล้วก็มาชดสำหรับคนที่มีประสบการณ์ก็คือมาทบทวนมาตรวจสอบให้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ว่าในชั้นที่สองชั้นเราเนี่ยต้องสามารถแอพลายหรือประยุกต์ความรู้สึกตัวที่ทําในกายในใจเนี่ยออกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อันนี้ถือว่าเป็นขั้นที่สองนะขั้นแรกค่อยจำํทำทําสติสัญญาใ ห, ให้เป็นใชก่อนขั้นที่สองคือสามารถใช้สติสัมญะไปประยุกต์ใช้กับการงานที่บ้านของเรานะเดี๋ยวว่าแต่การงานที่บ้านไม่จะลุกขึ้นเดินไปไหนเนี่ยเมื่อก่อนเราเดินด้วยอะไรตึงๆไปเลยนั่นแหละเอาไปประยุกต์ใช้ตรงนั้นเอามาสังเกตคนบางคนเวลาเดินเนี่ยลงเท้าหนักเท้าบองไม่เหมือนกันนะบางคนลงเท้าหนักมากเลย อ่านักหนักอั น, นแสดงว่ายังไม่รู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวแล้วมันจะเบานะก็คอยสังเกตอย่างนั้นว่าการที่เราทําอะไรโดยรู้สึกตัวกับไม่รู้สึกตัวเป็นอย่างไรแต่ว่าไม่ใช่รู้สึกตัวทั้งหมดอนะเพราะมันเป็นไปไม่ได้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตก็ใช้ได้แล้วยี่้าเอร์ตของทั้งหมดนะนะความรู้สึกตัวทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยยี่ห้าอร์เซ็ตนี่ ก, ก็ก็ทันละแต่ถ้าจะให้ดีก็ขึ้นไป สมมติเวลาหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนะี่ยเรารู้สึกตัวใช่มสามสินาทีไม่รู้สึกตัวแค่สามสิบนาทีก็กยังดีนะได้หนึ่งชั่วโมงรู้สึกตัวถึงสี่ิหรือห้าสิบนาทีเป็นไงก็ดีฝ่ายใช่ไหมในหนึ่งชั่วโมงรู้สึกตัวถึงห้าสิบกนาทีก็ดีแต่ถ้าในหนึ่งชั่วโมงรู้สึกตัวถึงหกสินาทีนี่นะ ก็คอมพลี่เลยนะนะคอมพลีก็จะสบายขึ้นปลอดโปรงเบาสบายแล้วก็ไม่มีทุกขถ้าถึงร้อซนะไม่มีทุกแต่ว่ายิหนตี้ก็ทุกก็ลดลงละแต่คนส่วนใหญ่มีความรู้สึกตัวกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยห้เปรเซนต์สี่ก็ยากแล้วนะเพราะอะไรส่วนใหญ่มันไปกับความรู้สึกตัวที่เป็นอะไรเป็นสัรชาตยานที่มันเป็นไปโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นเราจะต้องมีศรัทธาที่จะทําความรู้สึกตัวที่มา น, นั่งแบบนี้ให้ชัดถ้าความรู้สึกตัวตัวนี้ถ้าไม่มีศรัทธาก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็ทําไปศึกษาไปเรียนรูไ้ไปป๊กๆแป๊กๆไปอย่างนั้นนะนะรู้บ้างไม่รู้บ้างก็เป็นการเริ่มต้นเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่เข้มถ้าเข้มแล้วไหนมันดีมันจริงอย่างไรมันดีอย่างไรฉันลองทำดูที่ตั้งใจทําครั้งสองครั้งก็ยังไม่มีอะไรสาสี่ครั้งก็ยังสี่ห้าครั้งก็เริ่มเหมือนเราลด น้ำต้นไม้หยดสองหยดมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกสิบหยดยี่บหยดช่วยอะไรไม่ได้เพราะรดม้ำสักพักมันก็แห้งแล้วใช่ไหมอพอมันไหลป๊กปอกปอกป อ, กปอกแบบไม่หยุดตลอดนี่เป็นไงมันก็ชุ่มไวความรู้สึกตัวถ้ามันต่อเนื่องกันไปสติสัสมยาะ ก, ก็ชุ่มโชคมันก็รู้สึกชัดขึ้นแต่ในบางกรณีบางเหตุการณ์ที่สติสัมยาะเราไม่พอ เช่นหน้าฝนหน้าหนาวหน้าที่ยังไม่แรงเท่าไหร่เนี่ยน้ํารดสองสาวันครั้งก็พอได้นะแต่พอเข้าหน้าแรงเข้ารดวันละขันยังไม่พอเลยรดวันละสองครั้งอะไรทำนองนีน้เหมือนกันบางทีเราเจริญสติแบบนี้เมื่อเข้าไปสู่ในเหตุการณ์บางเหตุการณ์สติสัชญระที่เรามีอยู่มันไม่พอใช่ไหมเช่นเวลากลับไปบ้านไปเจอปัญหาไปเจอความไม่ พอดีความไม่พอใจอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเราอยู่ในครอบครัวคนคนหนึ่งเนี่ยก็ถ้าไม่มีสติเชิงยักก็เหมือนฟืนดุ่นหนึ่งอ่าก็ก่อกันเข้าก็กลายเป็นไฟเป็นกองหนึ่งใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมุติว่าในบ้านของเราอยู่สิบคนก็ไฟสิบดุน่นไฟยังไงมันร้อนนะ ร, ร้อนทั้งบ้านแต่เรามีน้ําอยู่ในมือไฟดุน่นไหนที่มันร้อนเราก็คอยลดลงไป ก็สบายสร้างบรรยากาศในบ้านก็เย็นสบายขึ้นแต่ถ้าไม่มีน้ําอยู่เลยอ่ะก็ร้อนไปเรื่อยๆอันนี้บรรยากาศดังนั้นตัวความรู้สึกตัวที่เป็นไปในกายจะเป็นอารมณ์ได้อย่างไรอันนี้จะเข้าสู่เรื่องของมาอยากจะใช้ภาพนั้นเป็นอุปกรณ์ได้ไหมเพื่อให้เห็นภาพเลื่อนได้ไหมหมอภาพนี้เลื่อนได้ไหมหรือมันตั้งอยู่กับที่ ไม่ได้ใช่ไมอ๋อไม่ต้องก็หันหน้าไปทางนี้ก็แล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นอุปกรณ์เพราะเป็นเรื่องเที่ครับเออได้นเลื่อนมาเลื่อนมาอันนี้เป็นโสดทุตสูมรมากอออดีโอดิชวนเอาละเอาละใช้ได้ใช้ได้ไดหันหันอีกเงนิดนึงอันเอยงเงง ง, งหน้าเนี่เออเอาละขอใช้ภาพนี้เป็นอุปกรณ์นะกันเพราะว่าจากเวทนาที่จะไปสู่ จากจิตที่มันจะเป็นอารมณ์เนี่ยใครบ้างเคยไปสนมกุกเคยฟังภาพ น, นี้มีใครบ้างอ่ามีแค่สองสามคนนะเอามาเคยฟังอาจารย์ที่อธิบายในสนมุกมานานลาสิบปีปี่0ปีแล้วว่าในตัวเนี้ยลึกสุดนะมีสองส่วนดำกับขาวนะดกับขาวซึ่งมันมีหลายนัยยะเนี่ย แต่เบื้องต้นเนี่ยอากอาจะสมมุติว่าอย่างนี้ว่าอันนี้คือสติที่เป็นปัญญายาณอันนี้สติที่เป็นสัญชาตญาณนะหรืออันนี้เป็นนามก็ได้อันนี้เป็นรูปก็ได้อันนี้เป็นกุศลที่เป็นอกุศลอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นบาปได้ทั้งนั้นแล้วแต่เราจะดีความหมายระว่างมืดกับดำเราจะเห็นว่าในสิกที่มันดำเนี่ยซิกที่เป็นลบเนี่ยอันนี้เป็นสมมุติอันนี้เป็นโพซิทีฟนะอันนี้เป็นเนกาทีฟ แต่ว่าในวงทั้งสองวงเนี่ยมันก็จะมีตัววงกลมอยู่ในนี้วงกลมอยู่ในนี้มีสัตว์อยู่สามประเภทคืองูไก่หมูอ่งูงนี่ไก่นี่ท่านเปรียบเสมือนกิเลสนะกิเลสหมูเปรียบเสมือนกรรมงูเปรียบเสมือนวิบากหรือท้าเจ็บอย่างที่ก็งูเปรียบเสมอกิเลส ไก่เป็นเสมืนกรรมหมูเป็นเสมืวิบากนะเอาอย่างนี้ดีกว่างูเนี่ยมันน่าจะเป็นกิเลสเนาะมันโคดไปโคตมามันไม่ค่อยซื้อมันน่าจะเป็นกิเลสโ ค, คดไปโคตรมาเมื่อจิตใจของเรามันโคดคตรง ง, งแบบงูเนี่ยมันก่อให้เกิดวิบากวิบากทําไมถึงเอาเปรียบเป็นไก่นิวรณ์หข้อเนี่ยข้อที่สี่คืออะไรข้อที่หนึ่งคือ พอใจขอ้อที่สองไม่พอใจขอ้อที่สามง่วงขอ้อที่สีฟุ้งซ่านตามภาษาขอ้อที่สีนั้นอุทธัจักกุกจุจจกชื่อแปลกนะกาลมาฉันทะพอใจพยาประท้ไม่พอใจถีนมิทะง่วงเงาเฮานอนอุทธัจักกุกุจักคือฟุ้งซ่านไก่เนี่ยท่านเปลี่ยนสมมติอุทธัจักกุกุจักก็คือไก่นั่นเอง ก, อกุกุโจแปลว่าไก่อารมณ์แบบไก่เคียร์ หมายความว่ามันไม่เป็นมันคิดไปทั่วนะเรื่องนั้นบางเรื่องนี้บางเรื่องโน้นบ้างมันไม่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวคิดไปเรื่อยเปื่อยตรงนี้ก็เป็นไก่จึงสมมุติเราเป็นไก่เมื่อเราจิตของเรามันวอกแวกหวั่นไหวเหมือนงูเนี่ยมันลื่นไหลเหมือนงูเนี่ยแล้วมันมีพิษด้วยก็ไปผางไก่ก็เกิดตัวอุท ธ, ธจักคือเป็นสร้างกรรมขึ้นมาดังนั้นตัวไก่ก็จึงเป็นอกิเลสสร้างกรรม กรรมความคิดสร้างกรรมกรรมก็มาสร้างผลคือหมูหมูนี่มันเป็นยังไงชอบนอนกินใช่ไห ม, มเป็นวิบากผลที่มันได้กินมากมากนันก็นอนสวยวากล้วก็มาเป็นหมูเพราะนั้นตัวในนี้เป็นตัวที่เป็นอวิชาในอวิชานี่มันจะมีมีคอนเทนคอนโทรเอาไว้สามลักษณะคือตัวกิเลสกรรมวิบากอยู่ในเนี่ยแลวอวิชาตัวนี้ถ้า อวิชชาที่ประกอบด้วยสติประกอบด้วยขาดสติก็มีนะหมายความว่าตัวสติมันยังไม่เต็มร้อยไงคนแล้วแต่และคนในเวลาเดียวกันมันมีทั้งสติที่เป็นสัญชตาตญาณและปัญญาญาญกันไม่ใช่เป็นสัญชตาตญาณทั้งหมดบางคนก็รู้สึกตัวใช่ไหมเช่นบางครั้งเราจะต้องรู้สึกโดยจําเป็นอะ่ะเช่นเวลาไปยกแก้วน้ำที่มันเปี่ยมเปี่ยมไปไงคุณจะทาแบบไวๆแบบเร็วๆนี่ไม่ได้ใช่ไหมคุณต้องไปไงแล้วมาระวังมากนั้นคุณใช้สติอะไร เป็นปัญญาญาณแล้วแต่ในกรณีที่มันไม่ละม่ำละวากูทําไปตามสบายเนี่ยก็เป็นสัญชตาติญาณเพราะฉะนั้นสติไม่ใช่ไปแยกส่วนมันก็ผสมกันอยู่ในอัตตาส่วนนั่นแหละว่าเราจะใช้ตัวไหนเยอะกว่าอย่างเรียนหนังสือเนี่ยเราต้องคิดต้องเขียนต้องบวกเลขลบคูณหารเนี่ยก็เป็นสติที่เป็นปัญญาญาณ น, นะถ้าเราคิดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องคิดต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จับจบก็เป็นสติที่เป็นสัญชตาติญาณ คิดแล้วบวกลบคุณหันเรื่องแล้วรู้จักจบคิดแล้วรู้จักจบก็เป็นสติที่เป็นปัญญายาณก็จะบวกระอยู่แค่นี้มีสองสิ่คือตัวนี้กับตัวนี้และในส่วนที่เป็นปัญญายาณก็จะมีมนุษย์มีพระมีอินพรมเทวดา <c oughs> ก็จะทําให้จิตเป็นลักษณะบวกแต่คนที่จิตที่เป็นสันชัดยานคิดไปทงางอกุศลบ้างคิดไปทงางอยากได้โลภโกรหลงอะไรอย่างนี้ก็จําลองออกมาเป็นสัตว์เป็นคนอะไรบา้างเขาจําลองในภพนี้เป็นอบาบัยภูมิตรงนี้เรียกว่าสุขติภูมินะ อันนี้คือสติที่จะนําไปสู่อารมณ์มาเริ่มต้นณจุดนี้อามาจี่ขอใช้ภาพนี้เพราะสมัยก่อนคืออยู่ส่วนโมกก็เลยพอจําได้บ้างนะแต่เม่อได้ไปเรียนอย่างนี้มาพอจําได้บางเวลามาจเจริญสติรู้เรื่องแล้วก็ยิ่งอธิบายง่ายขึ้นในการที่จะทําทีนี้พอจิตของเรามันเป็นสงสภาวะเนี่ยลืมตัวบ้างรู้ตัวบ้างสัญญาณบ้างปัญญายันบ้างก็สมันก็จึงเกิดเป็นอ ะ, อะไรเกิดเป็นภูมิทั้ง5้าใช่ไหมเกิดเป็นภูมิทั้ง5มีภูมิอะไรบ้าง ภูมิดูก่อนน ะ, อ, ะอันนี้ภูมิไอศูน อ, อันนี้ภูมิอันนี้คือสุขติภูมิ อ, อันนี้ภูมินรกเปรต น, นรกอันนี้เดริชาน อ, อันนี้สวรรค์อันนี้มนุษย์นะโอ้ไม่ใช่ดิตัวนี้มันมีการลบพุม ง, งด้วยเป็นอสุนเนาะ ดูก่อนพบไหนเป็นไอสุนอันนี้เป็นไอศุรกายอันนี้เป็นเดรดิรชานอันนี้เป็นเปรตอันนี้นรกอันนี้มนุษย์เพราะในมนุษย์เนี่ยก็จะในสุขติภูมิตัวนี้เป็นทุกติภูมิทั้งหมดอ่ะอบับอายภูมิสีใช่ไหมอ่ะแล้วก็มีดเดรดิชันอ่ะเปรตไอศุรกายนรกภมูมนุษย์ก็จะเป็นภูมิที่สุกติภูมินี่เป็นอ่ะ เทวดาเป็นอินเป็นพรมเป็นมนุษย์เป็นพระอริยะอยู่ในภูมินี้เพราะฉนั้นทั้ง6ภูมิภูมิทั้ง5หรือทั้งหก้าเนาะเออทั้งห้าดิมนุษย์สภูมิแล้วก็อสุรกายภูมิเดริชานภูมินรกสภูมิแล้เปตภูมิออกมาเป็นภูมิของจิตทั้ง5ภูมิในตัวความแค่สติมีสติขาดสติ นะมันก็อย่าจิตของวันวันหนึ่งจิตของเราก็จะมีอยู่หลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวลายเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายนะสาวันดีสี่วันลายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็อยู่ในในห้าอารมณ์นี้เท่านั้นอันนี้หมายถึงความคิดจิต ท, ที่มันเป็นขาดสติมีสติอ่ะสติมีสติก็จะเป็นกุศลอกุศล บ, บ่บุญนรกสวรรค์อยู่ในสองอย่างนี้แต่ตัวแกนกลางเข้ามาคือตัวนี้ตัวฮับเข้ามาเนี่นะคือตัวนี้คือตัวอวิชาก็ว่าได้ทั้งออกมาเสร็จแล้ว ไอ้ตัวทั้งภูมิทั้งห้าเนี่ยจิตของเราที่จะไปหมุนเป็นภูมิทั้งห้าเนี่ยมาเริ่มต้นได้ทั้งหมดมกี่ภาพนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสบสบอดสบสองไหมสสองลักษณะของการหมุนของอะไร ปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมหมนะายความว่าตัวความสติจิตที่ประกอบด้วยความไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันจะหมุนออกมาอย่างนี้ดูนะว่าท่านเปรียบเสมือนอวิชชาเนี่ยเหมือนกับคนโอ้นี่ น, นอวิชชาเหมือนกับคนตาบอดนะคนตาบอดอวิชชาคนตาบอดเดินแล้วมีลูกมีนามเหมือนกันนะคนตาบอดไปตามก็าตามไม่ถูกนะนี่คนตาบอดคืออวิชชาคือคนตาบอด อภิชากอให้เกิดอะไรสังขารอา่ะสังขารคือตัวนี้สังขารก็คือเกิดวิญญาณท่านเปรียบวิญญาณเหมือนลิงใช่ไหมอ่ะขอให้เกิดสังขารสังขารหมายความว่าสิ่งสองสิ่งเนี่ยก็คือรูปกับนามารูปเวทนาก็ให้เกิดสังขารหมายความกายกับเวทนามามีแล้วก็ให้เกิดสังขารสัญญาสังขารตรงนี้แล้วก็ สังขารก็ให้เกิดวิญญาณวิญญาณจิตของเราก็เหมือนลิงใช่ไหมมันก็แสวงหาแต่เรื่องที่มันอยากได้นั่นแหละใช่ไหมมันแสวงหานี้มันลิงสังวิญญาณของเรามันมันลิงใจของเราเนี่ยมันลิงกระโดดไปโน่นกระโดดไปนี่ทั้งวันทั้งคืนน่ะนะวิญญาณก็ให้เกิดอะไรนา ม, มารูปนี่หันธรรนามเป็นคู่คือนา ม, มารูปไปด้วยกันหมายความว่านา ม, มารูปคือความคิดและนะความคิดในตัวนามกับรูป มาอยู่ด้วยกันออกมาเป็นความคิดความคิดนี่ก็จะท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารในโอค่าสงสารนี่ท่านทําเป็นเหมือ น, น้ําใช่ไหมหมายความว่าเราเนี่ยอยู่ในเหมือนภายเรืออยู่ในอ่างในทะเลแต่เรือนี้ไม่มีหางเสือมีแต่คนพายแต่ไม่มีหางเสือนั่นหมายความว่าเราอยู่ในจิตที่เมื่อขาดสติสติคือหางเสือพงโคเทียนบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนพาย จีตเป็นนายกลายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนภายด้านนี้เห็นไหมไม่เห็นเอียงมาอีกนิดก็ได้นะน่าจะเห็นเอีกนิดหนึ่งวันนี้ขอใช้ตัวนี้อุปกรณ์มาหลายครั้งไม่เคยใช้เป็นอุปกรณ์เลยนะเอาละฟอฟอจะเห็นได้ชัดขึ้นถ้ามาพูดไปในลักษณะที่เป็นภาษาทฤษฎีเนี่ยโดยที่ไม่มีภาพเนี่ยต้องดีต้องมีโปรเจคเตอร์นะแต่วันนี้เราได้เอามาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเมื่อเรามีความไม่รู้สึกตัวใช่ไหมเมื่อไม่รู้สึกตัวแล้วก่อให้เกิดความ อะไรก่อให้เกิดการปรุงแต่งปรุงแต่งก็ให้เกิดความรู้รับรู้อารมณ์การรับรู้อารมณ์ก่อให้เกิดความคิดที่เป็นนามรูปรูปกับนามความคิดมันก็จะวนอยู่ในเรื่องเหมือนกับภายือในอ่างคิดเรื่อง น, นั้นมันไม่ไปไหนสักทีอะวนไปวนมาอยู่ในในเรื่องของตัวคิดนั่นแหละเนี่ยแล้วก็มีอางก่อให้เกิดนามรูปนามรูปก่อให้เกิดอายตนะหนึ่ง6สหหหรือเปล่า อายตนะก็คือตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มากระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เมื่อกายอายตนะภายนอกภายในตากระทบรูปหูกระทบเสียงก็เกิดอะไรขึ้นตัวผัสสะใช่ไหมตัวผัสสะก็คือการกระทบระหว่างเขาทำรูปผู้หญิงผู้ชายเป็นผัสสะมากระทบกันคือกระทบนี้คือความพอใจไม่พอใจ ผู cat, ้ห <Bea> ญ <Mag girl> ิงเป็นความพอใจผู้ชายเป็นความไม่พอใจเป็นสัญลักษณ์นะความไม่พอใจก็เป็นภาษะพอใจไม่และพอใจถ้าหักพอใจก็เหมือนตาข้างซ้ายไม่พอใจเหมือนตาข้างขวาพอใจก็เหมือนลูกศรข้างหนึ่งแทงเข้าที่ตาไม่พอใจก็เหมือนลูกศรแทงเข้าอีกข้างหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็อยู่ด้วยลักษณะตาบอดเพราะลูกแสลูกศรแทงตาลูกศรของเราก็มีแค่สองลูกคืออะไรวันวันหนึ่งแล้วอยู่ด้วยพอใจไม่พอใจเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจ ทรา บ, บอยู่เนี้ยเราก็ถูกไอ้ตัวความพอใจไม่พอใจทำให้ตาบอดนะสอนแทงตาตัวหัสะเวทนาความพอใจไม่พอใจที่ว่ามไม่กิ้นะเมื่ออย่างนั้นแล้วก็เกิดตัณหาคือตัวนี้ตัณหามียความว่ามีแต่ดื่มแต่กินไม่รู้จักหยุดนะจะเสพสุขบ้างสุขก็เสพก็เป็นลักษณะที่กินแล้วกินอีกนะคนดื่มคนกิน และตัวตันหาค่อยเกิดตัวอุปาทานนะอุปาทานคือไปเสมือนไวพยาวานอน์ไอ้วานนตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันหรือเปล่าอ่าระหว่างตัวอุปาทานกับตัววิญญาณลักษณะคล้ายกันนะเพราะตัววิญญาณตัวเนี้ยมันเป็นลักษณะซื่อลักษณะตรงตรงเป็นบริสุทธิ์อยู่แต่พอมาตัววิญญาณที่ประกอบด้วยอุปาทานก็ไปยึดเอาผล อะไรที่ต้องการอะไรที่เป็นผลฉันจะเอาอะอะไรที่ไม่ผลฉันไม่ทําอันไหนที่ฉันมีกําไรงานไหนที่มีกําไรฉันจะทําถ้า ง, งานนั้นขาดทุนฉันก็ไม่ทําต่อเพราะฉะนั้นก็แสวงหาสิ่งที่ตัวเองจะต้องการไปยึดเอามาเถื่อว่ า, าเป็นตัวของตัวเองเป็นอุปท า, านอุปทานเมื่อแสวงหาก่อให้เกิดอะไรชาติตั้งท้องแล้วชาติคือความคิดเกิดแล้วนะความคิดความทุกข์เกิดแล้วก็คือตั้งท้องแล้วก็ชาติก็เป็น พบใช่ไหมชาติก็กัพบเข้าไปนอนในท้องแล้วเนี่ยกําลังหมายความว่าชาตินี้เกิดดําริขึ้นมาพอาะดริขึ้นมาก็คิดว่าอยากจะได้ความพบนั่นหมายความคิดมันร่องรอยอยู่ในใจแล้วเกิดแล้วชาติเกิดความไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้เกือบจะอุปท า, านไปยึดแล้วมันก็เกิดใช่ไหมเกิดชาติขึ้นมาเป็นความคิดขึ้นมาความคิดก็เป็นตัว อ, อุปท า, านชาติพบเกิดเป็นพบทั้งสามถ้าชอบก็เป็นกา ร, รมมาพบถ้าไม่ชอบก็เป็น รูปภพถ้ายังไม่รู้ชอบไม่ชอบก็เป็นรูปภพเกิดเป็นภพทั้งสามภพทั้ง3ก็มาก่อให้เกิดชารามรณะสโสกเป็นไส้ลักษณ์ของคุณแก่ใช่ไหมอันนี้คือตัวมรณะโศกเปรตเทวะอยู่ตรงนี้หมดเลยรวมแล้วเป็น12อวิชาเอาอิเทียว อ, อวิชาก่อให้เกิดอะไรสังขารสังขารก่อให้เกิดวิญญาณวิญญาณก่อให้เกิดน า, นามรูปนามรูปเกิดอายตนะยตนะก่อให้เกิด ภาษาภาษาก็เกิดเวทนาเวทนาก็ให้เกิดตัณหาตัณหาก็ให้เกิดอุปทานอุปทานก็ให้เกิดชาติภพนาภพก็ให้เกิดฮะชาติก็ให้เกิดภพภพก็ให้เกิดชราโสกกะปริเทวทุกขโทรมรสะอยู่ในนี้หมดเลยลักษณะคงแก่ทุลักทุเลนะอันนี้คือวงจรแต่ว่าที่เอามาได้นํามาเสนอตลอดคือตัวนี้ คือเวทนานี้นะเวทนาคือพอใจไม่พอใจตัวนี้สําคัญมากคนเราเปนจะบอดจะหนวกมันก็ต้องเราถูกเขายิงหรือว่าเราเอาสอนมาแทางตาตัวเองคนอื่นจะมาทําให้เราไม่พอใจนี่น้อยกว่าตัวเราเองเกิดความไม่พอใจไม่พอใจด้วยตัวเองเยอะใช่ไหมคนอื่นเขาไม่ว่าอะไรส้นหน่อยเราสร้างความพอใจไม่พอใจขึ้นมาเราก็เลยบอดอย่างนี้นะ อันนี้ในส่วนนี้ทั้งหมดที่จำลองมาจากตัวสติที่เป็นปัญญายาณและสติที่เป็นสัญชตาตญาณอัตราส่วนที่ผสมพันทั้งสองส่วนพอดีพอดีนี้ก็เกิดมาจากแรงของอวิชานะอวิชาตัวนี้ก็มาจากงูไก่แล้วก็หมูเอามาดูวงนอกบางทีนี้วงนอกนี่อะไรยักษ์ใช่ไหม ยักษ์นี่ท่านเปรียบเสมือนว่า อ, อ, อะไรน้อหืไตรอนะไรไตรรักนะไตรรักนี้ก็จะเกิดในส่วนที่มาจากขันหรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นถ้าไม่เกิดขันห้าขึ้นมาตัวในที่นี้ามาอยากจะเปรียบว่าอวิชชาด้วยนะยักษ์ตัวนี้นะ แต่เนื่องจากว่ามันคอนคุมเอาทั้งหมดเอาไว้ก็คือตัวใจรักเพราะตัวใจรักษณ์นี้มันจะครอบงาได้ทั้งที่เป็นรูปและทั้งที่เป็นนามทั้งที่เป็นสัตว์บุคคลตัวตัวแม้กระทั่งถึงร่างว่านช่องนี่ก็อยู่ในลักษณะของใจรักเหมือนกันใช่ไหมตัวเราที่มีจิตวิญญาณก็อยู่ในลักษณะของใจรักมันจึงโอบกินได้ทั้งโลกเลยคือใจรักษต้องเป็นไปตามกฎนี้ทั้งหมดเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านก็ชี้ทางว่าตรงนี้นะคือโลกของเราเพียงแค่นี้นะท่านก็ชี้ทางชี้ทางไปที่ไหนที่ มรคมีองคแปดชี้ไปที่มรแปดพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นตัวแทนของโลกิยะเมื่อเราออกมาได้เป็นพุทธจิตจิตมีพุทธะคือจิตมีสติเต็มเปี่ยมแล้วเราก็เจอพุทธะเราก็เดินตามเป็นสาวกแล้วก็ไปมรคมีองแปดนะแต่พอหลาดว่าทําไมหางของเราไปเสือล่ ะ, <c oughs> ะหางของอะไร หางของอาวิชานะของวิชาเพราะฉะนั้นอันนี้เราจรึงตกภายใต้กฎของใจรักทั่วทุกคน ท, ก ท, กทุกตัวทุกตนทั้งหมดแต่กฎใจรักนี้มันจะทําให้เป็นดําหรือเป็นขาวก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีสติเมื่อไรวงนี้เป็นขาวทั้งหมดหรือเป็นสว่างทั้งหมดก็เป็นจิตของเข้าสู่อริยภูมินะข้าสู่อริยภูมิก็ขาวมากขาวน้อยก็แล้วแต่จนสะอาดอันนี้คือลักษณะของ จิตที่จะเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์อ๋อเดเวลาหน่อยที่จะต้องสักถามปัญหากันแล้วเนาะเข้าใจไหมเข้าใจนะเพราะนั้นมาถึงขอเอาตัวนั้นมาเป็นลักษณะที่ทำความเข้าใจว่าตัวมีสติแจ้ขาสติเป็นเรื่องใหญ่มากสามารถหมุนได้ทั้งเกิดทั้งโลกิยะทั้งวัตตะสงสารทั้งโลกทั้งหมดเนี่ยอยู่ในตกอยู่ในอานาจของอตัวนี้ ตัววิชานะตัววิชาที่มันจะเป็นอวิชาได้ประกอบด้วยสามอย่างกิเลสกรรมและวิบากกิเลสแปล ว, ว่าความจิต ท, ที่เศร้าหมองนะจิต ท, ที่เศร้าหมองจิต ท, ที่ขาดสติมันจะเศร้าหมองถ้ามีสติจิตก็จะผ่องใสอีกครั้งหนึ่งถ้ามีสติผ่องใสเอาขาดสติเศร้าหมองก็สลับกันอยู่นี้อวิชาวิชาและอวิชาก็สลับกันเกิดกันกันดับอยู่นี่ตลอดซึ่งเราส่วนใหญ่ได้เห็นพิษเห็นภัย ของทั้งสองตัวนี้ตลอดก็จะทําให้เรารู้สึกสุขบ้างทุกบ้างใช่ไหมบาบ้างบุญบ้างอไปนรกบ้างไปสวรรค์บ้างไปอาบัยบ้างสำหรับคนอยู่เนี่แต่ละวันเพราะฉะนั้นในแง่ของพุทธธรรมหรือปัจจุบันธรรมนั้นก็ไม่ได้เอานรกสวรรค์นอกจิตไม่ได้เอาตัวอาวัยภูมิหรือสุขคติภูมินอกจิตใจ แต่อยู่ในจิตของเราหมดและจิตของเรานี้จะมีผลให้สุขให้ทุกข์ไปสวรรค์และนิพพานก็ขึ้นอยู่ตัววิ ช, ชาและอวิ ช, ชานะเพราะฉะนั้นอวิ ช, ชาก่อเกิดสังขารตามลําดับอย่างไม่จี้ท่านจึงเปรียบเส ม, มือนคนตาบอดคือตัววิ ช, ชาทีนี้ตาของเรามันมีกี่ตาล่ะนะอันนี้ถามว่าตั้งแต่แรกๆแล้วนะมีกี่ตาตาของเราตาไหนก็นตาไหน เออไม่ใช่ตาซ้ายกับตาขวานะตาซ้ายเนะี่ยคนที่สอบจบเริ่มต้นใหม่ก็แล้วกันตานอกกับตาในาตานอกรักษากายตาในรักษาจิตอ่าตอนนี้จิตเรารักษาได้หมดแล้วยังมันสว่างได้สัก 5% ้าเปอสีเแต่ย่างน้อยสว่างได้25ก็รู้ทางไปใช่ไหมอ่าในร้อสว่างสัก25เปพอใจแล้วถ้าหากว่าเจริญสติแบบนี้ไปเรื่อยๆมาว่ามีโอกาส ต้องทําเรื่อยๆนะหมายความว่าขี้เกียจก็ทําเปล่าก็ทําขยันก็ท ำ, อทำชอบก็ทําไม่ชอบก็ทําทําแบบที่เรียก ว, ว่าไม่ไม่เลือกกันเวลาละแต่ไม่ได้หมายความว่าไปนั่งทําอย่างนี้ตลอดนะเดี๋ยวเขาจะว่าเราเป็นบ้าเป็นหลังอะไรไปตั้งแต่ไปเจริญสติก็ลองฟ้องมาหาวิเมาทำมาหากินเลยนะมาเจริญสติอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เขาจะมาโทษเรามาไม่ไคือหมายความว่าเอาตัวรู้สึกตัวที่ได้จากการเคลื่อนไหวเนี่ยไปประยุกต์ใช้ใน กิจวัตรอะไรก็ได้สนุกนะชีวิตของเราก็จะเบิกบานทํางานมีครอบครัวมีเงินมีทองมีข้าวมีของก็ไ ม, ม่ทุกข์เพราะใช้มันเป็นเครื่องมือแต่สมัยที่เรายังไม่ได้เจริญสติเราใช้มันเป็นอะไรใช้มันเป็นไฟเผาตัวเองกองเงินกองทองกองสมบัติมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกมีนามก็ทุกข์เพราะนามมี สามีก็ทุกข์เพราะสามีมีพันยาทุกข์เพราะพันย า, ามีอะไรก็ทุกข์หมดเพราะใช้มันเป็นไฟมาเผาตัวเองแต่พอมาเจริญสติตัวนี้แล้วมันเปลี่ยนความรู้สึกตัวที่เป็นสันญานให้เป็นปัญญาญาณขึ้นมาได้ชีวิตของเราเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูในข้อแม้ของคาว่าต้องมีอะไรห้าประการอย่าลืมมีศรัทธา วิริยะสติสมาธิปัญญานะถ้าต้องมีสังห้ายอย่างนี้ถ้าถามว่าเราไม่มีศรัทธาเลยเนี่ยหรือศรัทธาของเราไม่ถูกมันก็จะไม่ครบถ้าศรัทธาของเราทุกวนนันนั่นเป็นห่วงเนาะศรัทธาในเรื่องมนต์ดำครั้งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์ศรัทธาในผีเจ้าเข้าทรงศรัทธาในพระสงฆ์ หลวงปู่หลวงตารูปนั้นรูปนี้ไปตามลำดับแหละศรัทธในลักษณะที่มันเป็นเป็นรูปอะไม่ใช่สถานในส่วนที่เป็นนามสถานในส่วนที่เป็นนามก็มีอยู่เนี่ยห้าอย่างเนี่ยสถานในส่วนที่เป็นรูปเยอะแยะไปหมดนะแล้วแต่เราจะศรัทธาใครถามว่าถูกหรือผิดไม่ถูกแล้วก็ไม่ผิดขึ้นอยู่กับว่าเรามีตัวสัมมาสติ สมาสมาธิหรือไม่เบื้องต้นเราก็อาศัยรูปซะก่อนเช่นศรัทธาในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศรัทธาในวัดวาอารามศรัทธาในการทําบุญทําทานศรัทธาในการสร้างคุณงามความดีอะไรก็แต่เราก็ศรัทธาในเบื้องต้นนี้ีะก่อนต่อไปเราก็มาพัฒนาศรัทธาของเราเป็นการกระทำนะเป็นการกระทําขึ้นมาเราชอบอันไหนก็ทำมันให้จริงจังขึ้นมาแล้วทําไปแล้วรู้สึกเป็นไงมันมีผลออกมาเป็นยังไง ไม่ชอบที่จะทำอย่างเงี้ยศรัทธาที่จะทําดีผลออกมาเป็นยังไงอ่าผลออกมาดีก็เป็นกรรมดีไปถ้าผลออกมาไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีไปนะถ้าหากว่าผลออกมาดีทั้งไม่ดีใครเป็นเจ้าของเราเองเป็นเจ้าของใช่ไหมเราก็เป็นไปตามนั้นแล้วศรัทธาอันสุดท้ายที่ท่านบอกต้องให้มีคือศรัทธาในการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมของพระตถาคตเรียก ว, ว่าตถาคตปูที่ศรัทธา ถึงได้กล่ามาแรกๆคนนะ่ะสัตธาในผู้ศาัทามีแค่สีอย่างใช่หมหนึ่งกรรมสัตธาสัตธาในการกระทําของตนเองนะคนอื่นเขาจะทําดียอดเยี่ยมขนาดไหนวิเศษขนาดไหนก็เออไม่จําเป็นจะต้องไปศรัทธาก็ได้แต่ว่าเราก็เราก็อนุมโมูนานะศรัทธาอนุ ม, มทนาที่ต่างกันนะอนุมโมูลนาหมายว่าเห็นดีด้วยมุทิตาด้วยเห็นดีด้วยแต่ว่าศรัทธาเออฉันจะเอาไปทําดูว่าง เออเธอทำํำอย่างนี้ดีนะทําให้ชีวิตสบายทําใหา้ครอบครัวมีความสุขก็ขเกิด อ, อย่าเอามาทําดูทําไงนะครอบครัวเราจะมีความสุขก็ขต้องการกระทําด้วยตัวเองเรียกกรรมสัทธาลองทำดูแล้วเมื่อก่อนนี่ครอบครัวไม่มีความสุขมีแต่ทะเลาะเบาแว้งพูดขึ้นมาขัดตาขัดใจขัดหูกันเป็นประจําเลยอตอนนี้เราก็เริ่มมาเจริญสติเราเห็นว่าองคมันเป็นของไม่ดีนะก็ลงมือที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนลงมือที่จะยอมกันในบางเรื่องบางเรื่อง ก็ยอมก็ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปคุยกันในเรื่องนั้นทิ้งไว้ก่อนอพออารมณ์ต่างคนถาอารมณ์ดีก็คุยกันก็เริ่มสติเริ่มเกิดสติแล้วใช่ไหมก็เห็นผลดีผลเสียขึ้นมาว่าถ้าหากว่าเราทำในทางที่ไม่ถูกต้องมันก็เป็นผลเสียถ้าทำถูกต้องก็เป็นผลดีทีนี้พอตถ า, ตาคตโพธิที่ศรัทธาศรัทธาในการเข้าถึงสภาวะจิตที่มันเป็นโพธิ ตามอย่างที่พระพุทธเจ้าทำมาก็คือมาศรัทธาตัวการกระทำคือเจริญสติทำดาดยศรัทธานะคือเบื้องต้นเนี่ยเราจะเข้าใจไม่เข้าใจอะไรเนี่ยให้มีศรัทธาไว้ก่อนเบื้องต้นเนีศรัทธาจะทำให้เกิดปัญญาคือไม่ควาว่าทำไปบ่อยๆแต่ว่าถ้าศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญามันก็จะมีองค์ประกอบอีกสองอย่างหนึ่ง มีผู้มาบอกมาสอนมีผู้มาชี้มาแนะมานำมีสื่อที่จะทำให้เราเกิดความเข้าใจนะมีสื่อสองเมื่อมีผู้มาชี้มาบอกมีหนังสือมีเทพมีซีดีมาบอ ก, อ, บ อ, กอย่างนั้นมาบอกนี้เราลองเอาไปทำดูไปทำดูแล้วทำดูแล้วถ้าหากก็ททำไม่ถูกทำไม่แยบใครทำไม่ถี่ทุวนก็่อให้เกิดตัวเข้าใจผิดก็มีเป็นมิจฉาทิฏฐิ แต่ถ้าห า, าเราทำรู้อย่างทีท่วนทำรู้อย่างละเอียดทำรู้อย่างชัดเจนทดสอบดูดหลายๆครั้งออกมาเป็นเข้าใจถูกเพราะเขาจุกเป็นสัมมาทิฏฐิพอสัมมาทิฏฐิก็เริ่มมักโยงแปลและทีนี้เริ่มไปเรื่อยๆสัมมาทิฏฐิตัวนี้จึงสําคัญนะศรัทธาก็ขอให้เกิดสัมมาทิฏฐิศรัทธาที่มีปัญญาขอให้เกิดสัมมาทิฏฐิศรัทธาที่ไม่มีปัญญาขอให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ ผลก็มาเป็นทุกข์โดยตลอดนะเอาละลำดับต่อไปนี้ที่ฟังมาทั้งหมดก็คอนเทกต์เอาไว้แค่นี้แต่ในส่วนที่เราจะต้องทำความเข้าใจใครมีปัญหาอะไรสักถามเอามาขอเวลานอกนี้หนึ่งฉันน้ำหลายขวดเดินเช้านี่